สิขาบทวิพัง539ที่ชื่อว่าผ้าปิดฝีได้แก่ผ้าที่ทรงอนุญาตสำหรับภิกษุผู้อาพาธคือเป็นโรคฝีสุกใสโรคมีน้ำหนองโรคน้ำเหลืองหรือโรคฝีดาษใต้สะดือลงไปเนื้อหัวเข่าขึ้นมาเพื่อใช้ปิดแผลคำว่าผู้จะทำคือภิกษุทำเองหรือใช้ผู้อื่นให้ทำพึงให้ทำให้ได้ขนาด ขนาดในข้อนั้นคือยาวสี่คืบกว้างสองคืบโดยคืบสูง พ, พุทธพิุูุน์ทำเองหรือใช้ปืนให้ทำเกินขนาดนั้นต้องอวบทุกกฎในขณะที่ทำต้องอวบปราจิตีเพราะได้มาต้องตัดออกเสียก่อนแล้วแสดงอาบ